บันทึกที่สองสีลวินัยสีละธรรมสีลที่ยังเป็นธรรมไม่เป็นวินัย ก็คือทมขั้นศีลไม่พึงนำมาสับสนกับคำว่าศีลธรรมที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายอีกอย่างหนึ่งตามแบบของไทยดังที่มักอธิบายกันว่าศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรมศีลคือการเว้นชั่วหรือเว้นจากข้อห้ามธรรมคือความประพฤติ ด, ดีหรือคำแนะนำสั่งสอนให้ทาความดี แต่ตามหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาทำภาคปฏิบัติทั้งหมดก็คือไตรสิกขาซึ่งแบ่งเป็นสามระดับคือศีลสมาธิและปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาล้วนเป็นธรรมทั้งสิน้นจึงมีทำขั้นศีลทำขั้นสมาธิและทำขั้นปัญญาคําว่าศีลธรรมในภาษาไทย ถ้าจะแปลให้เข้าหลักนี้ก็ต้องว่าทำขั้นศีลหรือถ้าจะให้กว้างกว่านั้นก็ว่าศีลและธรรมอื่นๆ น, นอกจากศีลคือรวมถึงสมาธิและปัญญาด้วยหรือให้ศีลในที่นี้เท่ากับคำว่าวินัยศีลและธรรมก็จะหมายถึงวินัยและธรรมตรงกับคำดั้งเดิมว่าธรร ม, มวินัยศีลห้านั้นในบาลีชั้นเดิม เมื่อกล่าวถึงความประพฤติของคนทั่วไปท่านใช้ว่าธรรมห้าเมื่อใช้ในฐานะเป็นข้อฝึกหัดของชาวพุทธขรรค ห, หรือกฎความประพฤติของอริยสาวกฝ่ายครวดัดเรียกว่าศิกขาบทห้าส่วนที่เรียกว่าศีลห้าตรงๆพบแห่งหนึ่งในเรื่องสัตสามสหายพระวินัยปิดจุลวัตและในข้อความร้อยกรองของคมภีชั้นรอง ต่อมาในอัตถกถาจึงใช้กันดื่น